นี้มาดูข้อต่อไปคาถาในนี้ต่อไปนะว่าบรรดาธรรมะสองอย่างนั้นธรรมะสองอย่างคืออะไรอินทรีย์สังวรกับมัคอ่านะโนนโยงมาจากหน้าไหนหน้าจากหน้าหนะ้าสิบเจ็ดอันนั้นหน้าห้าสิบเจ็ดบรรทัดบนเลยนะบรรดาธรรมะสองอย่างนั้นอ่ะสองอย่างคืออะไรอินทรีย์สังวรกับมัคอ่านะความคมกล้าความเฉียบคมอย่างยิ่งแห่งมัคเป็นธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อมป้องกันไม่ให้ตกไปสู่เทวภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งเทวดาทั้งพวกอรยมรรคเนี่ยห้ามไม่ให้เกิดในสุขคติแต่กุศลกรรมบทห้ามไม่ให้ตกไปในทุกคติเนี่ยนะสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าคาถาเต็มมีอยู่ว่าภิกษุมีกายไม่รักษาแล้วเป็นมิจฉาทิฐิและถูกทีนมิทาครอบงำแล้วย่อมไปสู่อำนาจบาน เพราะฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตมีความดำริดชอบเป็นอารมณ์หรือเป็นโคจรมีความเห็นชอบเป็นเบื้องหน้าครอบงำถีนาะมิทะแลว้วพึงละทุขติทั้งปวงเพราะรู้ซึ่งความเกิดดับอันนี้ยกมาจากที่ไหนยกมาจากอุทธะตาสูตรนะเดี๋ยวเอาสูตรนั้นมาอ่านให้ฟังนิดหนึ่งจะได้เข้าใจอะไรชัดขึ้น นนะเล่ม 44, สี่สิบสี่สงมนอนนะข้อเก้าสิบหน้าสีนนะ่ร้อยสิบสามอคำอธิบายอยู่ในหน้าสี่ร้อยสิบสามอุทานนะเล่มสี่สิบสี่ข้อเก้าสิบแต่คำอธิบายอยู่หน้าสีนนะ่ร้อยสิบสามนที่คำอธิบายเมื่อกี้ที่บอกว่า เพราะฉะนั้นภิกษุเป็นผู้รักษาจิตมีความลำรีชอบเป็นโคจรนะอารมณ์ตัวนั้นแปลว่าโคจรน ะ, ะหมายว่าให้โคจรเป็นไปกับสัมมาสังกปะนะตรงโคจรตัวนี้แปลเป็นอารมณ์ไม่ได้นะแปลว่าการเที่ยวไปด้วยกุศลวิตกนโคจรตัวนั้นแปลว่าเที่ยวโคจระเนี่ยแปลว่าเที่ยวถ้าแปลว่าอารมณ์แล้วก็หมายถึงอรมณปัจจัยไปคือที่บอกว่า ภิกษุเป็นผู้รักษาจิตเนี่ยนะถามว่าตอนแรกทำไมผู้ไม่รักษาจิตนี่อะไรมาเกิดขึ้นเขบอกว่าผู้มีกายอันไม่รักษาแล้วเป็นมิจฉาทิฐิถูกทีน่มิทะครอบงำแล้วย่อมไปสู่อํานาจแห่งมารผู้มีกายไม่รักษาเนี่ยกายในที่นี้หมายถึงทวิปัญจาวิญญาณจิตสิเนี่ยนะหรือวิญญาณทั้งหทั้ง6ทวารเนี่ยนะวิญญาณทั้ง6กทวารคือจกักขุวิญญาณโสตค า, านะชิวหาตลอดจนถึงมโนโวิญญาณเนี่ย ถ้าบุคคลไม่รักษาจิตเหล่านี้เนี่ยจะไปสู่อำนาจแห่งมารไม่รักษาการรับรู้อารมณ์นะตัวที่รับรู้เนี่ยคือตัวจิตถ้าไม่รักษาก็ไปสู่อำนาจแห่งมาร ก, นะกายเนะได้แก่กายวิญญาณหกก็เพราะเห็นรูปด้วยจกักรคูวิญญาณแล้วไม่ใช้สติรักษาทวารแห่งวิญญาณโดยให้อภิชาเป็นต้นเกิดโดยการถือเอนิมิตและอนุพยัญชนะในรูปนั้น นนะก็ให้ถือเอาโดยนิมิตอนุพยัญชนะในเสียงถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะในกลิ่นในรสในโพธ ภ, ภะและในธรรมรมพระองค์ตรัสว่าอารักขิเตนะกาเยนะหมายถึงความที่พิษุไม่รักษาวิญ ญ, ญาณกายหกด้วยอาการอย่างนี้ถูกมิจฉาทิฐิครอบงำปทุสาร้ายก็คือถือว่าเที่ยงบ้างถือว่าคาสูนบ้างด้วยอานาจสกายทิฐิอุเฉต ท, ทิฐิสัสสตทิฐินั่นเอง ทีนมิทาภิภูเตนะความว่าถูกทีนะอันมีความที่จิตไม่ควรแก่การงานเป็นลักษณะและถูกทีนะมิทะมีความที่กายไม่ควรแก่การงานเป็นต้นเป็นลักษณะครอบงำแล้วทีนะมิธาเนจิตเจตสิกไม่ควรแก่การงานนะคิดอะไรก็คิดไม่ค่อยออกเลยใช่ไหมมันง่วงอะทนผู้ที่ไม่รักษากายไม่รักษาจิตก็ไม่รักษา วิญญาณทั้งหกทวารปล่อยให้อภิชาตโธมนัดครอบงำถีนะมิทะก็กลุ่มรุมก็เลยง่วงใหญ่เลยก็มานก็เอาไปตามใจชอบใช่ไหมมานไหนกิเลสมานก็นําไปตามใจชอบมันบอกว่าชอบนะมันก็ชอบนะเชื่อมป็นว่านะนะตันหาบอกชอบอกชอบให้นั่นโกรธนะเรื่องนี้มันต้องโกรธถ้าไม่โกรธไม่ได้มันเสียหายเราต้องโกรธเป็นอันนี้เออมารมันเสี่อมสอน่ะเราก็เชื่อมันหมดอ่ะทางก็เลยถูกกิเลสมานเป็นต้นมัน รั่วรสราดจริงอยู่ด้วยคาถานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวัตตะโดยมุก ค, คือติเตียนพิสุผู้อยู่ด้วยความประมาทว่าพิสุเหล่าใดไม่รักษาจิตโดยประการทั้งปวงเพราะไม่มีสติเป็นอารัขาเป็นผู้ยึดถือการสแสวงหาผิดโดยในว่าเที่ยงคือสัสตทิฏฐิเป็นต้นโดยอโยนิโสอโยนิโสมรสิการผุดขึ้นเพราะไม่มีปัญญา อันเป็นเหตุแห่งโยนิโสมนาสิการนั้นใครที่จะโยนิโสมนาสิการได้ต้องมีปัญญานะคือมีสุตะมยะปัญญาจึงจะโยนิโสมนาสิการได้เพราะเหตุนั้นนั่นแหละพิสูจน์เหล่านั้นจึงชื่อว่าถูกโกสาชะคือความเกียดคร้านครอบงําเพราะไม่มีวิริยารำพระในการบําเพ็ญกุศลจากเงยศีรษะขึ้นจากวัตะไม่ได้ น, น, นะนะก็เงยศีรษะออกจากวตฏะไม่ได้ก็แปลว่าว โจมอยู่ในวัตาะนั่นแหละบ น, นี้เพื่อจะแสดงวิวัตะจึงตรัดคาถานี้นะคาถาที่ในเนติปกรณ์ว่าภิกษุเพราะฉะนั้น่ะเพราะเหตุที่ว่าทำไมรักษาอย่างนั้นก็ฝ้าวัตะเนี่ยนะภิกษุต้องเป็นผู้รักษาจิตคือรักษาวิ ญ, ญญาณทั้งหกทวารมีสัมมาสังกัปปะเป็นโคจรมีสัมมาสังกัปปะเป็นโคจรสัมมาสังกัปปะโคจรเนี่ยโคจรเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิ เป็นเบื้องหน้าอธิบายว่าบทว่าตสมารักขิตจิตตะสะความว่าก็เพราะเหตุที่ภิกษุผู้ไม่รักษาจิตถูกมารทําเอาตามความประสงค์จึงอยู่ในสงสารเท่านั้นฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตด้วยรักขาด้วยรักษาคือปิดกั้นอินทรีย์ทั้งหลายมีใจเป็นที่6ด้วยสติสังวรอันนะอย่าลืมนะว่ามองเห็นแล้วจะเสียทรัพย์สินไหมอันนะี ได้ยินแล้วนะถ้ามีสติเนี่ยนะราลืกถึงทรัพท์ของตนก่อนใช่ไหมวันนี้วันนี้วันใครรักษาสีน8ปดบ้างเนี่ยทีตหนึ่งสอกมสี่ห้าหกก็เยอะนะสาธุนะก็เสนาบดีกระทรวงการคลังรายงานเลยใช่ไหมท่านมีสีน8นะวันนี้เหมอนันนะอันนั้นแหล ะ, นนะรเรียกว่ามีสตินะนะปิดกั้นนะท่านอะไรบ้างที่จะเสียหายต่อสิ 8, อนแนี่ยนะก็อะไรเป็นเหตุใกล้ต่อการ เสียศีลนี่ก็สติตัวเนี้ยโคจรก่อนว่าท่านเป็นผู้มีศีลถ้ามีศีลอย่างนี้ท่านควรดูอะไรท่านควรฟังอะไรท่านควรเห็นอะไรเป็นต้นเนี่ยนะศีลของท่านจึงจะอยู่ได้จะต้องมีสติควบคุมดูแลรักษาอย่างเนี้ยซั์ต่อไปทรับเนี่ยจะรักษาได้ยังไงทรัพย์นี้จะยั่งยืนต่อไปได้ยังไงซับนี้จะไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุได้ยังไงเป็นต้นมันเนี่ยเป็นเรื่องของสติมากแต่สติในพระาศาสนาอย่าลืมว่ายาณสัมปยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญารักษาศีลไม่ได้หรอก เพราะเมื่อเธอรักษาจิตได้แล้วเป็นอันชื่อว่ารักษาอินทรีย์มีจักขุนรีเป็นต้นได้แหลเขาบอกว่ารักษาจิตไม่ให้เป็นอกุศลนั่นแหละชื่อว่ารักษาทวารได้ยิ่มบทว่าสัมมาสังกัปปะโคจโรที่แปลว่ามีความดําริชอบเป็นโคจรความว่าเพราะเหตุที่ภิกษุมีมิจฉาสังกัปปะเป็นโคจรจึงตรึกโดยไม่แยบใครก็คิดโดยไม่แยบใครคิดเป็นกามวิตกเป็นต้นเนี่ยนะ พอคิดเป็นอกุศลวิตตกมีการมวิตกเป็นต้นจะตามด้วยมิจฉาทิฐิเราอย่าไปคิดนะว่าการคิดถึงด้วยคิดด้วยหน้าการมวิตกจะไม่เป็นปัจจัยแห่งมิจฉาทิฐิวิตกเนี่ยนะตัวดีมากเลยที่จะทําให้เกิดมิจฉาทิฐิวิตกก็เป็นปัจจัยแก่สัมมาทิฐิใช่ไหมถ้าสัมมาสังกัปะถ้ามิจฉาสังกัปะนะเป็นอาหารชั้นดีของมิจฉาทิฐิเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีมิจฉาสังกัปปะ ตรึกโดยไม่เยบคายถือมิจฉาทศนะต่างๆมีจิตอันมิจฉาทิฐิขจับแล้วเป็นผู้ถูกมารทาเอาตามความปรารถนาะถ้าตรงกันข้ามลเลยอวตนะพิกดูเมื่อจะทํากรรมโดยโยนิโสมนสิการตรงนี้ก็บอกตรงๆว่าทํากรรมโดยโยนิโสมนสิการพึงเป็นผู้มีความดําริชอบมีความดําริดในการออกจากกา ร, รมเป็นต้นเป็นโคจร เพึงกระทําความดลรดชอบอันสัมปยุทธ์ด้วยฌานเป็นต้นสัมมาสังกปะที่สัมปยุทธ์กับปฐมฌานทูตนะปฐมฌานกับสัมมาทิฏฐิที่สัมปยุทธ์กับวิปัสนาเนี่ยนะสัมมาสังกปะที่สัมปยุทธ์กับวิปัสนาให้เป็นฐานที่เป็นไปแห่งจิตของตนให้จิตเป็นไปกับสมถะกับวิปัสนากุศลวิตกเป็นสมถะกุศลวิตกที่เป็นวิปัสนาให้เป็นไปบทว่าสัมมาทิฏฐิปุเรขาโรความว่า พิคโสผู้กําจัดมิจฉาทิฐิมิจฉาทัศนะด้วยความเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะเป็นโคจรพึงมุ่งกระทําสัมมาทิฏฐิอ่ะตรงนี้ก็สั่งให้ทําสัมมาทิฏฐิอ่ะนะอันมีความดีอ่ะนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะต้องมีอะไรเป็นเบื้องแรกกรรมสกตาเป็นเบื้องแรกต้องตั้งเอาไว้เลยนะว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันอ่ะนะ พูดแบบภาษาไทยไทยเราบอก jogo. คุณการตามมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเน่ยนะเห็นใครก็นึกอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าไม่นึกอย่างนี้แล้วเอาสัมมาทิฏฐิอะไรนําหน้าไปนะเราก็ถือเอาตามมิจฉาทิฏฐิสินําหน้าไปนั่นก็เห็นโยมนุษก็โยมนุษย์ก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเนี่ยอันนี้ต้องนําหน้าไปตับทุกคนเลยนะที่เห็นเนี่ยเห็นลูกก็ลูกก็มีกรรมเป็นของของเขาเนี่ยเลยเห็นเพื่อนก็เพื่อนก็มีกรรมเป็นของของเขานั่ยเลยออกมาเห็นโยมพ่อจะต้องนึกอย่างนี้ โฉมพ่อก็มีกรรมเป็นของของตนนั่นแหละมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดอะนะคะก็มานั่งนึกอย่างนี้ไม่นึกอย่างนี้เดี๋ย ว, วอภิชากะระทมนัดมันจะเกิดขึ้นนะอภิชามปนยังไงเราหวังให้เขาดีขึ้นใช่ไหมโทรมนัดว่าเขาก็ไม่เคยดีอย่างที่เราคิดอย่างนี้นะเดี๋ยวก็โทรมนัดกันนั่ น, น ก, ก็ต้องเปนึกเรื่องกรรมมาเยอะๆเนี่ยนะจะได้กําจัดอภิชากะระทมนัดได้บ้างเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้า ปรารบกรร ม, มสกตาให้มากมากขึ้นอย่างนี้นะวิปัสสนาสมาทิทฐิจะไม่สู้ยากนะักเพราะวิปัสสนาเป็นทางที่จะนำไปสู่การละกรรมละกรรมเนี่ยนะโดยเฉพา ะ, ะกรรมดำกรรมขาวทั่วไปวิปัสสนาเป็นหนทางนะเพื่อที่จะตัดกระแสะแห่งกรรมการเจริญเมตตาบางนิย ะ, อะตอนที่ชำระความโกรธท่านก็ให้พิจารณาความมีกรรมเป็นของของตน แล้ว ก, ก็การเจริต์เบกขาพรหมิหารท่านก็สอนให้พิจารณาความมีกรรมเป็นของตนส่วนสัมมาทิฏฐิตรงนี้ก็พิจารณากรรมเป็นของตนจะมีความแตกต่างในการเจริญยังไงครับคือวิธีตัวเจริญเนี่ยไม่ต่างกันแต่ว่าวัตถุประสงค์ต่างกันเนี่ยนะวัตถุประสงค์ของอุเบกขาพรหมิหารก็คือเพื่อที่จะได้เข้าฌานเนีนะเพื่อจะได้มุ่งไปสู่ฌาน อย่างในเมตตาที่สอนให้พิจารณาเรื่องกรรมก็เพื่อกำจัดโทสะในบุคคลนั้นนั้นคือบางคนเนี่ยนะเราก็โกรธเขาอยู่นั่นแหละมันไม่แล้วใจสักที น, นะคิดยังไงมันก็เห็นแต่ความเลวของเขาอะ่ะหาความดีหายังไงก็ไม่เจอทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทาไมเป็นอย่างนั้นเป น, นต้นเ น, นนะเราก็อยากจะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้น อันเรา e ก็มานึกน like ึกใส่ใจบ่อยๆว่าเข้ามาด้วยกรรมของเขานะเขาก็จะไปตามกรรมของเขานะเขามีกรรมเป็นของของเขาเป็นต้นเราก็นึกใส่ใจว่าเขามีกรรมเป็นของของเขาอ่ะเราเองก็มีกรรมเป็นของของเราเขาก็มีกรรมเป็นของของเขาจะโกรธเขาไปทําไมอย่างเงี้ยนะก็คิดไปอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะเลิกโกรธแต่ที่สําคัญนะวิธีละความโกรธอันหนึ่งก็บอกว่าห่างวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเนี่ยนะอันนี้ช่วยได้มากไม่ใช่ว่าจะลองดูว่าเลิกโกรธหรือยังอะนะ ผ, ผ่านไปแถวนะั้นเนี่ยลำบากนะเขาไม่มีใครก็ทําอย่างนั้นเลยหรอกทีนี้พอรู้กรรมเป็นของของตนมณสิการแบบนี้มากๆต่อจากนั้นก็มียะถาภูตยานทัศนะยะถาภูตยานทัศนะคืออะไรรู้เหตุเกิดและความดับเพราะยะาภูตยานทัศนะอมสียานไว้นะอมสังขารเปรเฉทยานปัจยภริกห า, า, ายานสัมมสนาญาณอุทยพยาญาณ เพราะฉะนั้นก็พอพิจารณาเรื่องกรรมมากก็พิจารณาเหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าขันห้าจะเกิดเกิดโดยอาการ25ดับโดือาการ25่ขวนขวายประกอบในศีลและสมาธิโดยในดังกล่าวแล้วเริ่มพิจารณาสังขารหรือความเกิดและความดับแห่งสังขารกําหนดการเกิดและการดับในอุปาทานขันห้าด้วยอาการ50ท้วนบรรลุอุทยพ ย, ายาัญาาต่อจากนั้นพิจึงบําเพ็ญวิปัสสนาด้วยอํานาจพังคานุปัสสนา ก็คืออนุปัสนาทั้ง7มียนิจานุปัสนาเป็นต้นยึดเอาอริยมรรคได้โดยลําดับเชื่อว่าเป็นภิกษุผู้ครอบงําทีน้มิทะละทุกติทั้งปวงได้ด้วยอรหัตตมรรคเนี่ยนะนะด้วยอาการอย่างนี้เธอจึงชื่อว่าเป็นภิกษุผู้ขี่นาศพทําลายกิเลสโดยประการทั้งปวงเพราะละกิเลสเพราะละกิเลสอันมรรคเบื้องต่ําพึงฆ่าได้ก่อนเพราะตัดขาดทีน้มิทะอันเกิดในจิตตุบาท ที่เกิดพร้อมด้วยโลภะที่เป็นที่ถิวิปยุทธ์ด้วยอรหัตมรตที่ตนบรรลุจากนั้นจึงละกิเลสมีมา n a เป็นต้นอันรวมอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภะนั้นเพราะตัดมูลแห่งพบได้เด็ดขาดจึงชื่อว่าละคือละขาดคติทั้งปวงกล่าวคือทุกขติประกอบด้วยความทุกขสามประการทุกขติเนี่ยนะไอไอทุกขติเนี่ยโดยมากก็คือเป็นไปกับถ้าแบ่งชัดๆเลยนะอบายเนี่ยคือทุกขทุ น, นะสวรรค์ทั้งหลายที่ดีๆนะพวกสวรรค์ก็คือพวกวิปริณามทุกอรูปะพรมเป็นต้นเป็นสังขารทุกเนี่ยนะนะเป็นพวกกลุ่มสังขาระทุกวัตตะในภูมิสามว่าโดยย่อก็คือทุกทุกขติก็คือทุกขตาสามนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ละทุกขตาสามประการได้นะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้อ่ะนะการรู้เหตุเกิดกับความดับก็นับว่าสาคัญ ในคาถาที่บอกว่าทำกุศลธรร ม, ลรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมหมายถึงกุศลกรรมบทรักษาออกจากอบายภูมิอารยม ร, รักษาให้ออกจากสุขติภูมิในคํานั้นเหตุแห่งทุคติทั้งหลายตัวสาเหตุของการเกิดในทุคติคือตัณหาและอวิชชาตัณหาและอวิชชานั้นเป็นอุปาทานได้4ประการ ขันทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมด้วยอุปาทานนะเรียกว่าอุปาทานยึดมั่นขันอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นทุกข์คืออุปาทานขันห้านะอุปาทานสี่การมุปาทานที่ถูปาทานศีละพระตูปาทานอั ต, ตาวาทุปาทานชื่อว่าสมูไทยคือเหตุให้เกิดทุกข์ขันห้าอุปาทานขันห้านี่น 5, นะเป็นตัวทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อกําหนดรู้และเพื่อละขันห้าเหล่านั้น คือย่อมทรงแสดงเพื่อการกำหนดรู้ทุกเพื่อละสมุทยัยนะวัตถุประสงค์ของการกล่าวทุกกับสมุทยัยกล่าวทุกเพื่อให้ทำปริญญากล่าวสมุทัยเพื่อให้ละในบรรดาตัณหาและอวิชชาเหล่านั้นอินรีย่เหล่านั้นมีตาเป็นต้นเนี่ยนะอันเป็นรูปประธรรมเป็นเหตุใกล้ของตัณหาอะ น, นะก็ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของตัณหาเนะใช่เพราะมีตาเไว้เพื่อดูสี มีหูก็จะได้ไว้ฟังเสียงมีจมูกไว้รู้กลิ่นมีลิ้นไว้รู้รสมีกายไว้รู้โภตาภาเนี่ยอันนี้เป็นแดนโคจรแห่งตันหาใจเนี่ยนะมนินซีเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของอวิชชาเพราะโลกของจิตวิญญาณเนี่ยเป็นโลกของอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความโง่เขางมงงจริงๆอันนั้เรื่องรูปเป็นที่ตั้งแห่งตันหาใช่ไหมเรื่องนามทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชา บุคคลผู้รักษาอินทรีห้าอันเป็นรูปประธรรมย่อมเจริญสมาธิและย่อมข่มตัณหาเพราะถ้าทวารตาหูจมูกเล่นกายเนี่ยเขาให้เจริญอสุภะใช่ไหมปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันธามโดยโอกาสโดยประเเชเนี่ยนะพิจารณาอย่างนี้จึงจักละจึงจักข่มตัณหาได้บุคคลผู้รักษามนีนีย่อมเจริญวิปัสสนาย่อมขม่มอวิชชา อันนั้นเจริญวิปัสสนาอย่างไงแบ่งประเภทของจิตเลยใช่ไหมจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตพดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมาคตะไม่เป็นมากาตะจิตเป็นสัอุตระอนุตระจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นเนี่ยนะก็ตามเห็นจิตทั้งสิบประเภทเหล่านั้นโดยอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นการให้ครัวหลังนี้จึงข่มอวิชชาสวัสดคคม ตันหาวิปัสนาคมอวิชาอุปาทานสองกามุปาทานกับศีลแลพตรตุปาทานเนี่ยถูกข่มด้วยตันหาก็จริงนะว่าศีลแลพระตุปาทานเนี่ยเป็นเป็นศีลและวัดเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งตันหาจริงๆเพราะว่าคนที่ไปทําตัวเดือดร้อนทั้งหมดแม้กระทั่งพวกชดินสามพี่น้องก็ถามว่าเขาทําตัวล้างบาปเหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่อรูปเสียงและสตรีเพื่อวัตถุกรรม นะพวกที่ไปพูดง่ายๆนะถือศีลอดอยากแข่งทั้งหลายเขาต้องการอะไรถือศีลอดศีลหิวอะไรก็ตามเถอะเพื่ออะไรเพื่อออกจากกามเลยใช่ไหมไม่ใช่โดยมากก็คือจะได้ดีกว่านี้นะที่ทำเนี่ยยอมมาทําทุกวันก็เพราะอยากได้ดีกว่านี้ทันสมัยโบราณเนี่ยที่พริยาเก่าทั้งหลายของพระนะคจะชอบถามว่าพระลูกเจ้านางฟ้าที่พระลูกเจ้าบวชแสวงหาเนี่ยเป็นอย่างไร น้องหญิงอาตมาไม่ได้บวชเพราะเหตุแห่งนางฟ้ารอกล่ันแะตสมัยก่อนนี่ก็ถือว่านักบวชทั้งหลายโดยมากก็สแสวงหากามอันเป็นทิพย์จึงมาถือวัดถื อ, ถ, อถือเข่งทั้งหลายเนี่ยนะก็เพื่อที่จะเนี่ยเพื่อสนองไอ้ไอไอไกิเลสกรมเนี่ยนะั้นตัณหาจึงได้อุปาทานสองคือกามมปาทานกับสีลพัตุปาทานส่วนอวิชชาเนี่ยเป็นอุปาทานสองคือ ทิฏฐุ ป, ปาทานกับอัตวาทุ ป, ปาทานเพราะฉะนั้นถ้าเจริญสมถะก็ละกามุปาทานศีและพรตุปาทานถ้าเจริญวิปัสสนาก็ละทิฏฐุปาทานกับอัตวาทุ ป, ปาทานอั้นถ้าละอุปาทานสี่ก็ชื่อว่าละปัญหากับละอวิชาเมื่อบุคคลละอุปาทานสีได้แลว้วธรรมะสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนาย่อมถึงความบริบูรณ์แห่งภาวนาตรงนี้เนี่ยนะเมื่อละก่อนนะับภาวนาจริงจะบริบูรณ์ กำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญทําให้แจ้งทําที่ควรทําให้แจ้งนะเมื่อละแล้วจึงจะชื่อว่าเจริญได้บริบูรณ์ถ้ายังไม่ละนะแสดงว่าเจริญยังไม่พอเนี่ยถามว่าภาวนานณะบริบูรณ์เมื่ อ, อไหร่บอกเมื่อละกิเลสได้ละกิเลสเมื่อไหร่บอกเมื่อภาวนาพอก็อยู่อย่างนี้นะถ้าทั้งละทั้งภาวนาจะให้พอทำยังไงทำปริญญาไม่ให้พอ ทำปริญญาจะพอแค่ไหนบอกทำนิพานให้แจ้งนั่นแหละจริงจะทำปริญญาพอสรุปเรื่องเดียวก็เอ ก, ะเ อ, กะอะไรนะัเอกปฏิเวทยานใช่ไหมยานแทงตลอดด้วยอาการอันเดียวท่า น, นก็ยังเป็นอย่างนี้แหละถ้าสองอย่างนี้บริบูรณ์ก็เป็นความบริบูรณ์แห่งภาวนาความประพฤติพรหมจรรย์อันหมดจดนี่แหละเรียกว่ามัคคภรมจรรย์เรียกว่าพรหมจรรย์คือมัคคพรมจรรย์ บรรดาธรรมะเหล่านั้ น, ผ ล, รร น, นลนะผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เป็นสามัญญผลนะผลแห่งการประพฤติอริยมรรคใช่ไหมถ้าประพฤติโสดาปฏิมรรคได้ผลคืออะไรโสดาโซดาปฏิผลถ้าผลของสกัดทาคามิมรรคคือสกัรพรหมจรรย์คือสกัทาคามิมรรคให้ผลเป็นสกัดทาคามีผลพรหมจรรย์คืออนาคามิมรรคให้ผลเป็นอนาคามีผลพรหมจรรย์คืออรหัตตมรรค ให้ผลเป็นอรหัตผลชื่อว่าผลอันเลิศ ก, กว่าผลทั้งหลายสุดยอดของผลนะสุดยอดของวิบากสูงสุดคืออรหัตผลผลทั้งสี่อย่างนี้เป็นผลแห่งการประพฤติมัคคพรหมจันทร์สัจจะสองข้างต้นคือทุกข์กับสมุ ท, ทยัยโดยนัยที่กล่าวแล้วด้วยสมถะด้วยวิปัสนาด้วยพรหมจันทร์ด้วยชื่อว่ามัคอันสแสวงหานิพพานเนี่ยนะสรุปว่า สมร t h วิปัสนามัคผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นนะเรียกว่ามัคผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ก็ดีอาศังคตธ า, าตุอันเป็นอารมณ์ของมัคและผลเหล่านั้นก็ดีชื่อว่านิโรธสัจจะสี่เหล่านี้ท่านยกมาแล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเหมือนอะไร เหมือนร่มใหญ่ที่กลางในเวลาฝนตกฉะนั้นนะนะคำนั้นบุคคลย่อมป้องกันอุปาทาย่อมป้องกันอุปาทานขันใดด้วยการแทงตลอดอุปาทานขันนั้นเป็นทุกย่อมป้องกันจากสิ่งใดสิ่งนั้นชื่อว่าสมุทยัยย่อมป้องกันด้วยสิ่งใดสิ่งนั้นชื่อว่ามัก สิ่งใดย่อมป้องการรักษาสิ่งนั้นชื่อว่านิโรธสัจจะสี่เหล่านี้ท่านยกมาแล้วนนะก็ยกสัจจะสี่มาประชุมกันพิจารณาธรรมทั้งหนึ่งนะทั้งสภาคาวิสภาคะยกไปหาประฐานประชุมลงอริยสัจดังกล่าวไปเรียกว่าอาวตาหาระเนี่ยนะแล้วก็อาวตะหาระนี่ก็เป็นธรรมะที่เอาไปใช้ประกอบ ทั้งการปฏิบัติได้เนี่ยนะเอาไปปฏิบัติจริงๆก็ได้เนี่ยนะเนติปกรณ์นั้นเนี่ยถนะ้าหากว่าใครศึกษาเข้าใจเป็นอย่างดีก็เอาไปปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยถ้าถ้าใครต้องการค้นคว้าพระไตรปิฎกเนี่ยนะการเรียนเนติปกรณ์ก็เป็นบาตเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าพระไตรปิฎกต่อไปเพราะว่าพระมหากัจจยนะกําหนดกฎเกณฑ์ชี้แจงว่าหลักการศึกษาพระธรรมเนี่ยควรเป็นอย่างนี้อย่างนี้ เป้าหมายมีเป็นอย่างนี้อย่างนี้คาถาทุกคาถานะประชุมลงอริยสัจได้หมดมันเป็นอริยรสัจได้อย่างไรเนี่ยนะแล้วเกี่ยวกับอริยรสัจเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรท่านบอกกิจ ด, ด้วยใช่ไหมทุกทุกทุกเป็นปริญญาสมุทยัยเป็นปะหานะนิโรธทําให้แจ้ง ม, it, lighting, มักควรเจริญท่านย้ําอยู่บ่อยมากคําพีที่ย้ําสัจจะอยู่ทุกขาระเลยคือเนติปกรเนีเ่ยนะย้ำมากว่าคําสอนทุกคําสอนเนี่ชยชี้ไปหาอริยรสัจทั้งหมดนะแล้วมันเป็นอริยรสัจได้อย่างไรท่านชี้ให้ดูเพราะ พระมหากัจยานะนี่ก็เป็นผู้ที่ยกขยายธรรมะที่ย่อให้พิสดารแล้วพระพุทธเจ้าอนุโมทนาทุกครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นก็รู้แต่ว่าถ้าเราเข้าใจพระธรรมตามแนวเนติปกรณ์ชื่อว่าเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์ถ้าไม่เข้าใจตามนี้เข้าใจคลาดเคลื่อนก็แสดงว่าผิดวัตถุประสงค์นะถ้าผิดวัตถุประสงค์เลยนะก็คงจําคําของพระเจ้ามหานามะได้ใช่ไหมว่าข้าพระเจ้าจะขอเข้าข้างพระพุทธเจ้า ขออยู่ฝ่ายเดียวกับพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะนะพระพุทธเจ้าก็ถามไอ้เขาจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องเขามีการถกกันมาปัญหาเขาถกว่าสักยะสองคนนี่เขาถามว่าโสตาปฏิยังฆ่าธรรมมีสมพระเจ้ามหานามะบอกมีสี่ถกกันนะนะแล้วก็ไม่ยอมกันก็เลยเข้าไปฝ้องพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็แสดงโสตาปฏิยังค่าธรรมทั้งสี่นะแต่แล้วก็พระเจ้ามหานามะเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยขออยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลยถามสักยะอีกฝ่ายหนึ่งว่าที่ที่ถกกันมาเนี่ยท่านจะว่าอย่างไงบอก ข, ข้าพระองค์จะว่าอะไรนอกจากเป็นกุศลเขาว่ากันนอกจากจะเป็นไปในกุศลเท่านั้นนอกจากกุศลนอกจากกัลยาณธรรมเขาก็คือพระเจ้ามหานามะนี่เป็นผู้ที่ดํารงอยู่ในกัลยาณธรรมท่านปฏิญาณเป็นพระสาวกอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าศึกษาพระธรรมคําสอนก็ ยังไงยังไงก็ขอเป็นสาวกการศึกษาในที่สุดเราก็ต้องเป็นไปเพื่อความมั่นคงในพระธรรมตรยัยการที่ยิ่งเห็นอริยสัจเท่าไหร่ศึกษาเข้าใจอริยสัจเท่าไหรนะ่นะเวลาเราสวดมนต์ว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมอริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะใช้คํานี้ก็ไม่ผิดอะไรกราบน้ัสการถามพระอาจารย์คะ่ะการแสดงอริยสัจสี่ถ้าท่านแสดงโดยกิจท่านก็จะบอกว่า ทกุก็ต้องทำปริญญาสมุทัยต้องประหารเป็นต้นถ้าท่านแสดงโดยอัถะก็อย่างเช่นทกุก็เร่าร้อนสมุทัยก็อายุะนะนำเกิดนี้แล้วในตรงนี้นี่ท่านบอกว่าทุกแทงตลอดอสมุทัยคือป้องกันจากสิ่งนั้นแล้วก็ป้องกันด้วยสิ่งใดสิ่งนั้นคือมรคนิโรธคือสิ่งที่ป้องกันด้วยสิ่งนี้ อันนี้หัวข้อการแสดงแบบนี้ของอริยศัสตร์เรียกว่าแสดงโดยอะไรคะเขามาชอบคำอธิบายที่อธิบายเรื่องเดียวนะถ้าใช้พยายชนะหลากหลายไปอีกเนี่ยมันทำให้เข้าใจอะไรขึ้นของเราเนี่ยนะเราพิจารณาขันท่านะเราก็จะขอแช่อยู่กับขันท่าอยู่แค่นี้นะถ้าใช้คำว่าแทงตลอดหรือแทงทะลุนะบางทีก็ตรงตร ง, ตรงประดงประสงค์เหมือนกันนะคือต้องถ้าถ้าแทงแทงอันนั้นต้องแทงให้มันทะลุ เพราะการพิจารณาจริงๆอะ่ะมันต้องตั้งอยู่ที่นิโรธจริงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นจะต้องทะลุขันห้าถึงนิโรธพิจารณาขันห้าจนแทงตลอดนิโรธเนี่ย น, นะแล้วถามว่าทําไมจะต้องขนาดนั้นเพราะเมื่อเมื่อมัดมีนิพพานเป็นอารมณ์แนละ้วหลังจากนั้นจึงจะป้องกันสมุทัยได้จึงป้องกันสมุทัยได้ถ้ายังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะยังป้องกันสมุทัยไม่ได้ น, นะั สิ่งใดย่อมป้องกัน ร, รักษานะตัวที่ป้องกัน ร, รักษาอันนั้นแหละคือคือมัคอ่ะคือตัวที่ป้องกอันอะย่อมป้องกันด้วยสิ่งใดอ่ะนะตัวที่มาช่วยป้องกันไม่ให้สมุทัยเกิดอันนั้นเป็นมัคตัวที่ที่รักษาจริงๆอ่ะนะตัวคือตัวนิโรธสรุปว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยต้องแทงให้ตลอดงงเหนแทงให้ตลอดถึงไหนถึงนิพพานอย่าลืมว่า ปกตินิสาขานุปัสนาเนี่ยจะเล่นไปสู่พระนิพพานนั้นถ้าพิจารณาสิ่งนั้นจริงก็ต้องเล่นไปสู่พระนิพพานผู้ที่พิจารณาแล้วเล่นไปสู่นิพพานชื่อว่าแทงตลอดสิ่งนั้นอย่างบริบูรณ์เนี่ยนะมันเมื่อแทงตลอดนิพพานอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็ป้องกันอะไรป้องกันสมุทัยอะไรละ่ะมามาเป็นตัวป้องกันมักเป็นตัวมาป้องกันแล้วป้องกันรักษาอะไรมารักษาเอาไว้แหละ นิพานเนี่ยเป็นตัวรักษาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแสดงเพราะการทำปริญญาที่ถูกต้องระดับแทงตลอดการละที่ถูกต้องก็เนี่ยต้องป้องกันได้ป้องกันจนสมุทัยไม่เกิดะนการบรรลุนิโรธบรรลุมรก็ต้องเอามรกเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันจริงๆถ้าถ้าเราเจริญมรก็ต้องถึงกับมรป้องกันเราได้ถ้าเจริญนิโรธก็ต้อง ป้องรักษาเราได้จริงๆเพราะนิพานเนี่ยเป็นตัวที่รักษาไม่ให้ตกไปสู่พสามถ้ามีนิพานเป็นอารมณ์แล้วจะไม่ตกไปสู่ภพสามทำให้เห็นว่าการพิจารณาพระธรรมแบบผู้มีปัญญาเนี่ยเขาพิจารณากันอย่างไรซึ่งเดี๋ยวนะวันนี้จะเลี้ยงแขกต้มไข่ต้มให้กินนังเที่ยงกอต้มไข่เย็นก็ไข่ต้มเนี่ย ใครจะไปกินกับเราอ่ะนะก็มีเท่านั้นวันนี้ข้าพเจ้าจักแสดงธรรมท่านทั้งหลายจงฟังนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยก็อยู่เท่านี้พอเหมือนกันนะกลางวันนัดฟังธรรมใหม่นี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยเย็นก็นัดฟังธรรมใหม่ใครจะมาฟังกับเราอย่างนะันก็นี่แหละเพราะผู้ที่เขาพิจารณาธรรมะเขาฟังธรรมะเนี่ยเขาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยในยถาการต่างๆธรรมะมันก็เลยฟังไม่เบื่อใช่ไหมเนี่ยนะแต่ถ้าเอาเหมือนเดิมไปหมดนะสวดมนต์ดีที่สุด ได้เวลาสวดพร้อมกันแล้วอย่างเงี้ยนะก็ว่าไปเนีย่ยนะ